มีคําถามนะคะซึ่งน่าจะสอดคล้องกับสิ่งที่พ่อจันกําลังบรรยายอยู่ตอนนี้ทราบแปล ว, ว่าทําอย่างไรถึงรวยแล้วก็จนแต่ตอนนี้อยากจะมีผู้ฟังบรรยายอยากจะทราบว่าทําอย่างไรถึงได้เกิดมาเป็นคนฉลาดแล้วจะไม่เป็นคนโง่เจ้าคาาา่ะพ่อจันคือคือข้อแรกก็ศีลข้อที่ห้าต้องแข็งแรงมากข้อแรกนี่นะ่ยแข้อที่ห้าเนี่ยกุศลศีลทุกข้อต้องดีอยู่แล้วแต่ข้อที่ห้าต้องแข็งแรงมาก ประเภทที่ไม่ไม่ใช้ของมึนเมาไปประทุษรายตัวเอ ง, องนี่และประการต่อมาก็คือเนี่ยวิจัยยาทานนางวิจัยยศีหลังให้ทานแล้ววิจัยให้ทานแล้วรักษาศีแล้ววิจัยเป็นต้ น, นเหตุต่างๆเหล่าเนี้ยแล้วก็ทรงไอ้คบกัลยาณมิตรฟังพระธรรมศึกษาสรุปก็ศรัทธาศีลสุตตะคือสั่งสมสุตตะนั่นแหละแล้วก็จาระะต้องดีแล้วก็ปัญญา การสั <unlucky. S 2> <Sag. S 1> ่งสมในลักษณะนี้จะเป็นปัจจัยแก่การที่จะทําให้ได้เกิดมาแล้วเป็นคนที่มีปัญญาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการให้ทานแบบสัพปริสทาน5ประการที่กล่าวมาแล้วก็เรียกทานของสัตว์บุรุษฉะนั้นสัตว์บุรุษให้ทาน5ประการเนี่ยหประการวุวะผู้หลายเที่ยวแล้วรู้ไหมให้ด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นเออให้โดยนอบน้อมให้ถูกกาลเวลาให้สลาขาดให้ไม่กระทบตนและผู้อื่น ก่อนให้ก็ดีใจขณะให้ก็เริ่มใสหลังจากให้แล้วก็ปลื้มใจที่เป็นไปกับปัญญาวิจัยได้ล่าราคาโทสะโมหะได้ในขณะให้เป็นต้นล่ราราคาในทายา ร, รมลับปฏิคาในในในผู้รับใช่ไหมแล้วก็ทําปัญญาให้เกิดขึ้นเห็นกรรมแล้วผลของกรรมวิจัยแบบนี้เกิดมาอีกชาตินึงโอ้โหฉลาดหาตัวจับไม่ได้เลยใไหมให้มาตอบเร็วไปไหมไม่เร็วนะ คืออย่างนี้ก็เรียกว่าสัพุริสทานนี่ก็เรียกทานของสัพบุรุษหรือสัพุริสีน์กสีนของสัพบุรุษเนี่ยนะทานกสีนเนี่ยขับเน้นแล้วพี่ท่านมหาอนาตเวลาเดินทานนี้เคยถามอะไมาทท่านอาจารย์เวลาทานะเดินไปศีลก็อยู่ในนั้นใช่ไ้มภาวนาก็อยู่ในนั้นใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเขาเรียกสัพุริสทานสัพปริสีนสัพปริสัพปริสภาวนาเมื่อเดินเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะเป็นมันจะเดินเป็น มันจะเกี่ยวข้องกันสอดคล้องกันรนะองรับกันได้จริงๆนี่เนอะอันนั้นก็ไว้ใครไปเดินได้อย่างชัดเจนแล้วจะรู้แล้วคําตอบตรงนี้ก็จะมีตรงเนี้ยแล้วก็จะเห็นชัดเจนว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเช่นให้ด้วยศรัทธาเชื่อมั่นในคุณของพระตาณไตรยัยไม่หวั่นไหวให้ด้วยจิตผ่องใสเชื่อมั่นแล้วก็กล้าให้กล้าสละนี่นะศรัทธาตัวเนี้ยประการที่สองให้ด้วยความนอบนอบ้อม ให้ด้วยความนอบนอบ้อมประการที่สามให้เป็นการลทานถูกการถูกเวลาการลทานนี้ท่านไปแยกเป็นห้าเช่นวาระนี้ใช่ไหมพระมาหาหรือมีกลุ่มคนมาหาหรือคนจะเดินทางอีกลายราย ล, ายละเอียดเยอะนะให้ตอนข้าวยากหมาแกงเป็นต้นเราเนี่ยทีนี้นั่นในรายละเอียดแล้วก็ให้ด้วยสละขาด การที่สี่ห้าก็ให้ไม่กระทบตนและบุคคลอื่นไม่ใช่ว่าเราด่นกว่าเขาเขาดีกว่าเขาแล้วประการที่หก็คือก่อนให้ก็ดีใจเจ็ดก็ขณะให้ก็ศรัทธาเลื่อมใสหลังจากให้แล้วก็ชื่นใจที่เป็นไปปลื้มใจที่เป็นไปกับญาณ น, นะคือปัญญาครบแปดประการนี้ก็เรียกสัพหริสถานเป็นห้าก็ได้เป็นแปดก็ได้ได้อย่างเงี้ยกับอีกชาต ไม่ใช่จะบางทีชาติหน้าแค่ปัจจุบันนะชาติก็จะเริ่มฉลาดขึ้นแล้วเอาจริงๆผลทานจผลกุศลเนี่ยให้ผลในปัจจุบันนะชาวน้ามันเจ็ดขนาดนะโยมชวนะดวงแรกให้ผลในปัจจุบันมันฉลาดในปัจจุบันนี้ด้วยนะเขาจะให้ผลในปัจจุบันด้วยไม่ใช่ให้ผลในอนาคตอย่างเดียวนะปัจจุบันพบด้วยจะฉลาดในปัจจุบันด้วยจะฉลาดในปัจจุบันด้วย แต่ว่าแต่ก่อนในอดีตเราไม่ได้ไข้ควรแบบนี้นั่นเองถ้าไข้ควรอย่างนี้นะฉลาดมานานแล้วไม่ต้องนิมนต์ท่านมหาอานาจมากมาแล้วใช่ไหมอามาต้องเป็นผู้มานั่งฟังแล้วใช่ไหมเปรยยมไม่ได้ไข้ควรตั้งแต่นานถ้าไข้ควรตั้งแต่นานอามาต่างหากที่จะเป็นผู้มานั่งฟังโยมใช่ไ